ถ้าการปกครองเสียหลักอาจนำพระออกจากพุทธศาสนาการศึกษานั้นเป็นแกนเป็นหลักของพระพุทธศาสนาและเป็นชีวิตของพระสงฆ์เวลานี้เรามีการปกครองทั้งการปกครองบ้านเมืองและการปกครองฝ่ายพระศาสนาลองตั้งคำถามดูว่าการปกครองมีเพื่ออะไร ก็จะตอบง่ายๆว่าเพื่อการจัดสรรสังคมชุมชนสถาบันหรือองค์กรให้เรียบร้อยให้ผู้คนหรือสมาชิกอยู่กันเป็นปกติสุขและให้กิจการงานดำเนินไปด้วยดีอันนี้ก็ถูกในแง่หนึ่งแต่คงจะไม่ตรงจุดโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการปกครองของพระสงฆ์ถ้าตอบตามหลักพระพุทธศาสนาเรามีระบบการปกครองแต่เดิมมา ลองสืบดูสิว่าการปกครองสัมพันธ์กับอะไรมีความมุ่งหมายเพื่ออะไรพระสงค์ของเรานี้เริ่มต้นมีผู้ปกครองคือพระอุปชาเราถือว่าอุปชาเป็นผู้ปกครองคือเมื่อมีลูกศิษย์ซึ่งเรียกว่าสัตทธิวิหาริขบวชเข้ามาอุปชาก็เป็นผู้ปกครองดูแลแต่ที่อุปชาเป็นผู้ปกครองนั้น ปกครองเพื่ออะไรในเรื่องนี้หลักการของพระพุทธศาสนาชัดมากอุปชาปกครองก็เพื่อเป็นเครื่องประกันว่าผู้ที่บวชเข้ามานั้นจะได้รับการฝึกฝนในตรายสิกขาหมายความว่าอุปชาทำหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ที่บวชเข้ามานั้นจะได้รับการศึกษามีการฝึกฝนพัฒนาเจริญงอกงามขึ้นในพระธรรมวินัย เพราะว่าชีวิตของพระสงฆ์คือชีวิตแห่งไตรสิกขาดังที่เรียกว่าบวชเรียนเพื่อจะได้พัฒนาทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาตั้งแต่วันบวชทันทีที่บวชเสร็จอุปชาก็จะบอกอนุสาสตคือนิสัยสีและอาัคารณียกิจสีแล้วพ่วงท้ายด้วยไตรสิกขาว่าสีลังสมมติขาตังสมาธิสมมตขาโต ปัญญาส ม, มัทคขาตานี่เนี่ยต่อแต่นี้ไปเธอบวชแล้วจะต้องศึกษาในไตรสิกขาไตรสิกขาเป็นชีวิตของเธอชีวิตของเธอเป็นชีวิตแห่งการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจงศึกษาไปจนกว่าจะบรรลุจุดหมายตัสมาหิตะเตสักกัดจังอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาสิกขิตตภา เพราะฉะนั้นเธอเพิ่งศึกษาอาธิศีลอธิจิตอธิปัญญาด้วยความตั้งใจจริงจังชีวิตของพระสงฆ์รวมไปถึงชีวิตของชาวพุทธทั้งหมดคือชีวิตแห่งการศึกษาเราจะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปขัดเกลอกิเลสไปบำเพ็ญความดีไปจนกระทั่งบรรลุธรรมสูงขึ้นเป็นพระอริยบุคคลสามขั้นแรก คือเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีทั้งหมดนี้ท่านเรียกรวมกันว่าเป็นเสขะหรือเสขะซึ่งแปลว่าเป็นผู้ยังต้องศึกษาอยู่คือเป็นนักศึกษาอุสาหะปฏิบัติธรรมมาถึงขนาดเป็นพระอริยบุคคลแม้แต่ขั้นพระอนาคามีก็ยังเป็นผู้ต้องศึกษาอยู่ต่อเมื่อได้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอาหารหันต์ จึงจบการศึกษาเป็นพระอเซขาหรืออเซขะถ้าบวชเข้ามาแล้วยังไม่จบการศึกษาคือยังไม่เป็นอเซขะแม้จะเป็นพระเทระมหาเทระบวชมาเจถึงปสิพรรษาก็ยังต้องศึกษาฝึกอบรมในไตรสิกขาอยู่เรื่อยไปคือต้องศึกษาจนกว่าชีวิตจะสิน้นพูดง่า ย, ายว่าศึกษาจนตาย เกิดใหม่ก็ศึกษาต่ออีกเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าชีวิตในพระพุทธศาสนาและระบบการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาคือไตรสิกขาแลว่าการศึกษาสามประการได้แก่ศีลสมาธิปัญญาพูดสั้นๆว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา พระที่บวชเข้ามานั้นวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องคือมุ่งที่จะบำเพ็ญไตรสิกขาฝึกฝนพัฒนาตัวเองในเรื่องพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเมื่อชีวิตของพระคือชีวิตแห่งการบำเพ็ญไตรสิกขาอุปชาก็คอยเอาใจใส่ดูแลเพื่อจะให้พระที่เป็นศิษย์นั้นได้รับการศึกษาถ้าการบวชไม่มีไตรสิกขา ไม่นำคนที่บวชเข้าสู่ไตรสิกขาความเป็นอุปชาก็ไร้ความหมายเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าการเป็นอุปชาทำหน้าที่ปกครองนั้นก็เพื่อการศึกษาหรือพูดให้สั้นว่าการปกครองเพื่อการศึกษาคือเพื่อเป็นหลักประกันให้มีการศึกษาการปกครองคือการจัดสรรสภาพแวดล้อม ระบบการเป็นอยู่และระบบการอยู่ร่วมกันให้อื้อต่อการที่พระสงค์แต่ละองค์จะได้ฝึกฝนพัฒนาตนในตรายสิกขาก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการศึกษานี่แหละเป็นแก่นของพระศาสนาเวลานี้เรามีการปกครองคณะสงฆ์ที่ขยายกว้างขวางออกไปเป็นการปกครองพระสงฆ์ทั้งประเทศแล้วเราปกครองพระสงฆ์ทั้งประเทศนี้เพื่ออะไร ถ้าดูตามหลักการนี้ก็หมายความว่าก็ต้องปกครองเพื่อให้เกิดการศึกษาโดยจัดสานระบบความเป็นอยู่ความสัมพันธ์กิจการและสภาพแวดล้อมวางพื้นฐานทุกอย่างเพื่อเอื้อโอกาสให้พระเนรได้มีการศึกษานั่นเองถ้าอย่างนี้การปกครองจึงจะมีความหมายเข้าสู่หลักการของพระศาสนา ถ้าการปกครองเสียหลักคือผิดพลาดจากหลักการของพระพุทธเจ้าที่กล่าวมานี้การปกครองที่มีไว้ด้วยคิดว่าจะรักษาพระพุทธศาสนา น, นั่นแหละอาจจะกลายเป็นตัวการที่นำพระสงฆ์และชาวพุทธออกนอกลู่นอกทางทำให้ความวิปริตผิดเพี้ยนต่างๆทั้งหลายเกิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวทำไปทำมาพระส่วนใหญ่จะมีชีวิตที่ว่างเปล่าโงเวง เป็นดั่งขอนไม้ที่เลื่อนลอยไปตามกระแสที่ไหลบ่าในสังคมถ้าเอาแต่ตามบ้านเมืองจะเสียหลักของตัวเวลานี้การปกครองของพระสงฆ์เราเป็นเน้นแบบบ้านเมือง กลายเป็นการปกครองเพื่อการปกครองหรือการปกครองเพื่อความสงบเรียบร้อยอย่างเลื่อนลอยการปกครองเพื่อการปกครองจะเน้นอำนาจเมื่อเน้นอำนาจก็จะต้องเน้นการบังคับและการควบคุมเมื่อเน้นการบังคับควบคุมก็เน้นการลงโทษคอยดูแลไม่ให้คนทำผิดใครทำผิดฉันจะลงโทษ ต่อมาก็หามาตรการว่าทำอย่างไรจะลงโทษให้ได้ผลดีก็ต้องพัฒนาระบบวิธีการลงโทษก็เลยเน้นไปในทางที่จะลงโทษผู้ทำผิดไม่ได้คิดว่าทำอย่างไรเราจะปกครองด้วยการอุดหนุนส่งเสริมให้คนมีโอกาสทำดีกันให้มากที่สุดจนกระทั่งไม่มีคนทำผิดที่จะถูกลงโทษทำอย่างนั้นจึงจะเป็นหลักการที่แท้จริงของการปกครอง การปกครองคณะสงฆ์คือการจัดสรรสภาพแวดล้อมและวางระบบต่างๆของคณะสงฆ์ให้อื้อโอกาสแก่การที่พระเนนจะเจริญงอกงามในธรรมวินัยด้วยใจศิกขาจนกระทั่งมีแต่พระเนนที่ทำดีกันยิ่งขึ้นมากมายไม่มีพระเนนที่จะทำผิดให้ลงโทษหรือมีพระเนนทำความผิดน้อยที่สุดและกานคนชั่วซามไม่ให้มีกำลังหรือช่องทางทำการร้าย ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นการบรรลุจุดหมายที่แท้จริงของการปกครองการปกครองในลักษณะอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องเป็นการปกครองที่เป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนาคือเป็นการปกครองเพื่อการศึกษาอันหนึง่งควรจะถือเป็นหลักการที่สำคัญยิ่งว่าการปกครองที่ดีจะสำฤธิ์เมื่อประชาชนปกครองตนเองได้ เมื่อถึงขั้นนั้นการปกครองจะมีหน้าที่หลักเพียงเป็นที่ประสานความร่วมมือโดยเฉพาะการปกครองในพระพุทธศาสนานั้นชัดเจนมากว่าเป็นการปกครองเพื่อช่วยเตรียมคนให้เขาปกครองตนเองได้พระอุปชาปกครองดูแลลูกศิษย์ที่บวชมาท่านให้เวลาห้าปีเรียกว่าถือนิสัยเป็นนิสิตระหว่างนั้น ก็ให้การศึกษากันให้จริงจังต่อจากนั้นเมื่อมีคุณสมบัติพร้อมก็ถือว่าปกครองตัวเองได้ไม่ต้องอยู่กับอุปชาอาจารย์อีกเรียกว่าพ้นนิสัยเลิกเป็นนิสิตชุมชนสงฆ์จะอยู่ดีถ้าพระปกครองตัวเองได้สังคมประชาธิปไตยจะอยู่ดีถ้าประชาชนปกครองตัวเองได้ เพราะว่าถ้าไม่ต้องการให้ใครมาบังคับเราก็ต้องปกครองตัวของเราได้และนั่นก็คือความสำเร็จของการพัฒนาประชาธิปไตยพระสงค์หรือแม้ประชาชนทั่วไปจะปกครองตนเองได้อย่างไรก็ต้องมีการศึกษาการปกครองที่จะช่วยนำไปสู่จุดหมายให้ประชาชนปกครองตนเองได้ ก็ต้องเอื้ออำนวยจัดสรรส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นการปกครองเพื่อการศึกษาทีงนี้คนที่ศึกษานั้นได้สภาพเอื้ออำนวยของสังคมที่เกิดจากการปกครองที่ดีเป็นฐาน <c oughs> ก็จะได้พัฒนาชีวิตของตนให้บรรลุจุดหมายที่ดีงามสูงส่งยิ่งขึ้นไป เพราะการศึกษาเพื่อปกครองตัวเองได้ในระดับสังคมเป็นเพียงการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมโอกาสที่จะศึกษาพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ต่อไปเวลานี้มีคำใหม่ๆเข้ามาจากตะวันตกหลายคำคำหนึ่งที่ชื่นชมกันคือ Learning Society บางทีก็เรียกว่า Knowledge Society แปลเป็นไทยง่ายๆว่าสังคมเรียนรู้และสังคมความรู้ที่จริงสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งความรู้นี้ก็คือสังคมแห่งการศึกษาหรือสังคมแห่งปัญญานั่นเองจะเห็นว่าสังคมที่พัฒนาแล้วก้าวไปก้าวไปพบปัญหาเวลาหาทางออกก็มาลงที่หลักการของพระพุทธศาสนานั่นเอง แต่น่าเสียดายว่าขณะที่โลกกำลังต้องการหลักการที่ถูกต้องคนไทยโดยเฉพาะชาวพุทธเองกลับเฮินห่างหรือถึงกับหลงลืมหลักการของตัวมัวไปตื่นสิ่งใหม่ที่เพิ่งเริ่มตั้งเขาขึ้นมาซึ่งยังจะต้องพัฒนากันอีกนานทั้งที่ตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยให้สิ่งดีที่ตนมีแก่โลกที่กาลังต้องการ เหตุผลทุกอย่างเรียกร้องให้หันเข้าสู่หลักการแห่งการปกครองเพื่อการศึกษาเวลานี้เป็นอย่างไรการปกครองของเราเป็นไปเพื่อการศึกษาหรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยทย้อนหลังกลับไปเมื่อรัตนโกสินทร์ศกที่12ึเอเรามีพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ฉบับแรกภูมิหลังในการเกิดพรบรฉบับนี้คืออะไร ในหลวงราชการที่ 4, สี่ทรงนําระบบแบบแผนการจัดบ้านเมืองแบบตะวันตกเข้ามาเราเรียกว่านําแบบแผนจากอารยะประเทศเข้ามาเพื่อจะทําให้ประเทศไทยเจริญเทียมบ่าเทียมไหลอารยะประเทศแบบแผนด้านหนึ่งที่นําเข้ามาก็คือระบบการศึกษาแผนใหม่ในการนําเข้ามานั้นทรงทราบตรหนักว่า ตลอดเวลาในอดีตที่ผ่านมาวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระเป็นครูให้การศึกษาแก่ประชาชนเจ้าอาวาตก็คืออุปชาอาจารย์ดังที่เดี๋ยวนี้เรายังเรียกเจ้าอาวาสว่าอาจารย์แต่ท่านยังทาหน้าที่อาจารย์ให้การศึกษาหรือเปล่าคงเป็นอาจารย์โดยสัแต่ว่าเป็นชื่อเรียกที่จริงการปกครองต้องเพื่อการศึกษา สถานะที่เป็นอาจารย์ของเจ้าอาวาสแสดงว่าเป็นผู้ที่ให้การศึกษาพระองค์ทรงทราบตรหนักว่าวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประชาชนสืบมาเมื่อจะจัดรูปแบบการศึกษากันใหม่ก็ควรพึ่งพาอาศัยคณะสงฆ์จึงทรงถวายเป็นพาระของฝ่ายประมุขสงฆ์ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการศึกษาแก่ประชาชนทั่วประเทศองค์ประมุขสงฆ์ ก็จัดพระเจ้าคณะมนทนต่างให้รับมอบภาระจัดการศึกษากันทั่วไปในประเทศการจัดการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ของพระสงฆ์ในยุคนั้นพอจัดการศึกษาเข้ารูปเข้ารอยก็ทรงออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทร์ศกหนึเอขึ้นมาในพระราชปรารับที่จะออกกฎหมายฉบับนี้บอกไว้ชัดเลยว่า ทำไมจิงตราพระราชบัญญัติคณะสง์ขึ้นดังข้อความในประกาศใช้พรบ น, นั้นว่าด้วยเมื่อรัตนโกสินทร์ศก117ได้โปรดให้พระราชาคณะหลายรูปออกไปจัดการศึกษาตามอารามในหัวเมืองได้เห็นผลความเจริญในการเล่าเรียนตลอดจนความเรียบร้อยในการปกครองสังฆมณฑลขึ้นโดยลำดับมาบัดนี้ทรงพระราชดาริเห็นว่า ถึงเวลาอันสมควรจะตั้งเป็นแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ให้มั่นคงเรียบร้อยได้แล้วจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ขึ้นแม้ในข้อความเบื้องต้นของพรบรดังกล่าวซึ่งเป็นพระบรมราชองค์การของในหลวงราชการที่หก็ตรัสแสดงถึงวัตถุประสงค์ของพรบรดังกล่าวนั้นว่า ถ้าการปกครองสังฆมณฑลเป็นไปตามแบบแผนอันเรียบร้อยพระศาสนาก็จะรุ่งเรืองทาวรและจะชักนำประชาชนทั้งหลายให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนวาดประพฤทธสัมมาปฏิบัติและร่ำเรียนวิชาคุณในสงฆ์สำนักยิ่งขึ้นเป็นอันมากเป็นอันว่าพรบคณะสงฆ์ที่เราถือว่าเป็นมาตรฐานการปกครองนั้น เริ่มแรกเกิดสืบเนื่องจากการศึกษาและเนื้อหากับทั้งวัตถุประสงค์ในพรบคณะสงฆ์ฉบับแรกนั้นยังเน้นการศึกษามากเราถือกันว่าการปกครองคณะสงฆ์นี้อนุวัตตามการปกครองของฝ่ายบ้านเมืองพอรบรศส .1.2.1 เกิดในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชก็เอาอำนาจไว้กับบุคคลผู้เดียวอยู่ที่ศูนย์กลางคือศูนย์อำนาจ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วการปกครองคณะสงฆ์ก็ อ, อนุวัตตามโดยกระจายอำนาจการปกครองคณะสงฆ์ออกไปให้มีสังคสภาเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติมีคณะสังฆมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารและมีคณะวินัยทรเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการเลียนแบบอำนาจทั้งสาของฝ่ายบ้านเมือง การจัดตั้งคณะผู้บริหารคือสังขามนตรีก็แบ่งเป็น4องค์การคือองค์การปกครององค์การศึกษาองค์การเผยแพร่และองค์การสาธารณูปการคล้ายกับการจัดกระทรวงทางฝ่ายบ้านเมืองพึงสังเกตว่าตอนนี้ยังมีกระทรวงการศึกษาคือองค์การศึกษาอยู่แต่จุดเน้นในใจมุ่งไปที่การจัดการปกครองให้คล้ายกับฝ่ายบ้านเมือง ดังข้อความในถแถลงการเรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ของรัฐบาลสมัยนั้นว่าความสาคัญในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็คือได้จัดการปกครองคณะสงฆ์ให้อนุโลมตามระบบ ก, การปกครองบ้านเมืองเท่าที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัยต่อมาพอถึงพรบคณะสงฆ์2505ตอนนี้บ้านเมืองได้จัดการปกครองโดยมีหัวหน้าคณะปฏิวัติ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบก็จึงให้การปกครองคณะสงฆ์อนุวัตตามโดยรวมศูนย์อำนาจก็เลยออกพอรบคณะสงฆ์ฉบับใหม่นี้ให้การปกครองคณะสงฆ์ขึ้นต่อองค์สมเด็จพระสังฆราชโดยมีมหาเทราสมาคมเป็นช่องทางการปกครองแต่เพียงองค์กรเดียวซึ่งใช้อำนาจทั้งสามอย่าง ด้านรูปแบบตามบ้านเมืองได้แต่ด้านสาระพระต้องนำและเป็นผู้ให้<า> <imme> เวลามองเรามักจะมองไปที่จุดนี้คือมองว่าพรบบคณะสงฆ์ของเราอนุวัตตามฝ่ายบ้านเมืองดังที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนรูปไปตามความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองแต่แท้ที่จริงยังมีเบื้องหลังที่ลึกกว่านั้น มันไม่ใช่เป็นเพียงการอนุวัตตามการปกครองฝ่ายบ้านเมืองอย่ามองแค่นั้นเรามีหลักการที่ต้องขอพูดว่าดีกว่าบ้านเมืองเป็นหลักการที่ประเสริฐกว่าของฝ่ายบ้านเมืองซึ่งเมื่อเรามัวแต่คิดที่จะอนุวัตตามบ้านเมืองก็ได้ละเลยมองข้ามทอดทิ้งหลักการนี้ไปซะที่จริงนั้นไม่ว่าในด้านรูปแบบหรือลักษณะภายนอก เราจะเปลี่ยนแปลงตามบ้านเมืองไปอย่างไรก็ตามเราจะต้องรักษาหลักการที่เป็นเนื้อหาสาระนี้ไว้ให้ได้หลักการของเรานี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่การศึกษาชีวิตของพระสงฆ์อยู่ด้วยการศึกษาการปกครองก็เพื่อการศึกษาเรามีหลักการของเราอยู่แล้วถ้าไม่มีการศึกษา การปกครองก็หมดคุณค่าไร้ความหมายไม่ได้ประโยชน์และจะมุ่งเน้นไปที่การลงโทษผู้กระทำความผิดเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่ร่ำไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือจะไม่ช่วยให้บรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่จะช่วยให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่ได้ตอนนี้น่าจะมาคำนึงพิจารณากันให้ชัดว่าสาระของการปกครองคณะสงฆ์อยู่ที่ไหน ถ้ามีการแก้ไขพรบคณะสงฆ์ก็น้านจะทำให้เข้าใจให้ถูกจุดเสียทีพรบคณะสงฆ์เป็นตัวแบบแผนของการปกครองจะต้องสื่อไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการศึกษาให้ได้ให้เข้าสู่สาระของพระพุทธศาสนาคือไตรสิกขาที่สรุปว่าการปกครองเพื่อการศึกษาถ้าอย่างนี้ เราจะสร้างคนให้เป็นคนดีจนกระทั่งไม่มีหรือแทบไม่มีคนทำผิดที่จะต้องลงโทษการจะทำให้ไม่มีคนทำผิดที่จะต้องลงโทษก็ต้องให้คนมีการศึกษารู้ธรรมวินัยปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนั่นเองถ้าไม่มีการศึกษาวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการบวชการปกครองหรืออะไรอะไรก็ตามจะสำเร็จได้อย่างไร ฉะนั้นการปกครองที่แท้ต้องเอาการศึกษาเป็นหัวใจอย่าเอาเป็นเพียงกิจการส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์เท่านั้นพราะชีวิตของพระทั้งหมดนั้นคือตรายสิกขาแน่นอนหมดทั้งคณะสงฆ์จนถึงพระผู้บริหารคณะสงฆ์เองก็ยังต้องศึกษาไม่มีใครปฏิเสธได้แม้ชาวพุทธทั้งหมดก็เช่นเดียวกันฉะนั้น เวลานี้จะต้องมาช่วยกันเตือนระลึกว่าเราอาจจะคลาดเคลื่อนไปแล้วจากระบบคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาทำไมพระองค์เสด็จไปประกาศพระศาสนาไปเที่ยวสั่งสอนประชาชนให้ธรรมะก็คือให้การศึกษานั่นเองเพราะทรงสอนเขาเพื่อเขาจะได้เรียนรู้เข้าใจและฝึกฝนพัฒนาตนเองขึ้นไป แต่จะให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยไปสอนทีละคนทีละคนกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลามากและได้ทีละคนทีละคนพระองค์จึงจัดตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาเป็นชุมชนที่ว่าคนที่มุ่งจะศึกษาคือเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนให้มรรลุรมจะได้เข้ามาอยู่เพื่ออุทิศตนในการศึกษาได้เต็มที่พร้อมกันนั้นชุมชนสงฆ์นี้ซึ่งเป็นแหล่งการศึกษา ก็จะมีผู้ที่ก้าวหน้าไปมากๆแล้วในตรายสิกขามาอยู่รวมกันมากผู้ใดต้องการศึกษาก็มาหาที่แหล่งนี้ได้ง่ายและชุมชนสงนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางที่ท่านผู้ใดศึกษาดีแล้วออกไปเผยพระสั่งสอนให้การศึกษาแก่ประชาชนขยายกว้างขวางออกไปด้วยเหตุนี้เพื่อให้ชุมชนสงเป็นแหล่งเอื้อโอกาสในการศึกษาได้ดีที่สุด ก็จะต้องมีการจัดสรรสภาพแวดล้อมและวางระเบียบระบบต่างๆให้เป็นเครื่องเอื้อโอกาสเช่นนั้นพระองค์จึงได้ทรงบัญญัติวินัยขึ้นมาเป็นอันว่าจุมชนส่งมีขึ้นมาก็เพื่อให้การศึกษาได้ผลดียิ่งขึ้นหรือเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าการศึกษาของมนุษย์จะดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชุมชนสงฆ์หรือจะเรียกว่าคณะสงฆ์ก็แล้วแต่จึงเป็นชุมชนแห่งการศึกษาเพราะพระพุทธศาสนาเองก็เป็นศาสนาแห่งการศึกษาพูดได้เลยว่าถ้าไม่มีการศึกษาคือไตรสิกขาก็ไม่มีพระพุทธศาสนานอกจากทุกคนเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วถ้าไม่ศึกษา เราจะทําอะไรถ้าไม่ศึกษาพระสงค์ก็ไม่สามารถเป็นปัจจัยสร้างสรรค์สังคมได้ก็จะกลายเป็นเพียงผ ล, ผลผลิตของสังคมอย่างที่กล่าวมาฉะนั้นเวลานี้จะต้องเตือนกันให้มากในเรื่องนี้ถ้าเราสํานึกตระหนักในหลักการนี้แล้วเราจะให้หลักแก่ทางบ้านเมืองได้ด้วยเวลานี้บ้านเมืองเองต้องการคําตอบ ไม่เฉพาะบ้านเมืองไทยเท่านั้นสังคมโลกทั้งหมดกําลังต้องการคําตอบเวลานี้โลกกําลังติดตันอยู่เพราะประสบปัญหาที่น่าประหวัน่นเพลิงว่าจะนําไปสู่ความวิบัติไหยณะของมนุษยชาติทั้งปัญหาสังคมปัญหาจิตใจและปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายแม้เพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวก็รู้กันว่าทําลายโลกได้แล้วและยังไม่เห็นทางแก้ไข รันมองไปที่ปัญหาสังคมมนุษย์ก็แบ่งแยกกันมากขึ้นทะเลาะวิวาทขัดแย้งทำสงครามกันทั้งแบ่งแยกผิวเชื้อชาติและศาสนาฆ่ากันตายมากมายและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นต่อไปทั้งด้านจิตใจคนก็มีแต่ความคับเครียดมีทุกข์เป็นโรคจิตโรคประสาทฆ่าตัวตายมากขึ้น ระบบสังคมมีตรการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์เอาเปรียบเบียดเบียนกันรวมแล้วก็มองไม่เห็นทางแห่งสันติสุขที่เรียกว่าทางสู่ความกเกษมเราจึงจะต้องมาช่วยกันหาทางแก้ปัญหาสังคมทั้งของรัฐและของโลก